ตอนที่206แต่งไม่ออกแล้วโดยเฉพาะในด้านนิสัยคนหนึ่งสุ ข, ขุมเยือกเย็นอีกคนร่าเริงสดใสยเย็ยนเย็ยนอาจจะต้องการคนแบบนี้มาคอยกำราบเธอก็ได้เหวนโม่ไม่รู้ว่าฟังเข้าหูบ้างหรือไม่เขาเอาแต่งเงียบไม่พูดจานอกจากนี้ความจริงแล้วโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดของผมถือเป็นโรคทางพันธุกรรมจากฝั่งคุณตาคุณยายครับแม่ของผมหัวใจก็ไม่ค่อยดี ถ้าในอนาคตผมมีลูกหากเป็นลูกชายก็ยังพอว่าแต่ถ้าเป็นลูกสาวก็มีโอกาสเกิดปัญหาได้ง่ายเรื่องนี้หากพิจารณาจากมุมมองทางพันธุกรรมหากพวกเขาต้องการมีลูกในอนาคตก็ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งจริงๆแต่ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าขึ้นในภายภาคหน้าการอยากมีลูกที่แข็งแรงก็ไม่ใช่เรื่องยากหลี่หวานคุ่นคิดครู่หนึ่งไม่ว่าในอนาคตคุณสองคนจะลงเอยกันได้หรือไม่แต่ฉันบอกคุณได้เลยว่าเรื่องลูกน่าจัดการได้ง่ายมาก เธออธิบายรายละเอียดให้เขาฟังต่อเวนโม่ถึงกับตกตะลึงในอนาคตการแพทย์จะพัฒนาไปถึงขั้นนั้นจริงๆหรือครับแน่นอนสิแถมยังใช้เวลาอีกไม่กี่ปีด้วยที่นี่คือเมืองจริงระดับการแพทย์ยอมก้าวหน้ากว่าภูมิภาคอื่นอยู่แล้วอีกอย่างเมื่อกี้คุณก็บอกเองว่าถ้าเกิดเป็นลูกชายจะไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นลูกสาวจะมีปัญหางั้นก็พยายามเกิดเป็นลูกชายให้ได้มากที่สุดสิลิวันเลิกคิ้วขึ้นน้ำเสียงชะ ง, งักไปเล็กน้อยหัวใจแม่คุณมีปัญหาแล้วคุณตาคุณยายละมีปัญหาไหม ตามหลักการแล้วคนที่มีปัญหาเรื่องหัวใจไม่น่าจะมีอายุยืนยาวขนาดนี้แต่พวกท่านกลับดูแข็งแรงดีเป็นคุณตาครับอ๋อลอวันนพยักหน้าเรื่องพวกนี้ต้องบอกเย็นเย็นแน่นอนคุณลองกลับไปคิดทบทวนดูให้ดีก่อนเถอะเวินโมในสมองของเขาวุ่นวายไปหมดกระทั่งไม่รู้ว่าควรจะเริ่มพิจารณาจากด้านไหนก่อนดีประกูลเสียว เซียมิยวอวินขังตัวเองอยู่ในห้องมาเกือบครึ่งเดือนแล้วดื่มแต่น้ำแต่ไม่ยอมกินอะไรเลยทำท่าราวกับจะอดอาหารประชดชีวิตให้ตายไปเสียอย่างนั้นหากจะบอกว่าสามีภรรยาสกุลเซียวไม่สงสารลูกสาวคนนี้ก็คงเป็นการโกหกอย่างไรเสียก็เป็นลูกในทส้พ่อสกุลเซียมองการกระทำของลูกสาวด้วยความรู้สึกทั้งโกรธทั้งจนปัญญาโกรธที่ชื่อเสียงของลูกสาวได้รับผลกระทบและจนปัญญากับวิธีการอันโง่เขลาของนาง คือเหล่าเสียลคุณช่วยระบายความแค้นให้ลูกสาวเราหน่อยไม่ได้เหรอคุณนีมันคิ้ขาดเกินไปแล้วเห็นลูกสาวถูกรังแกจนเป็นแบบนี้ต่อหน้าต่อ ต, อตาแต่กลับไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยมันจะทําให้คนข้างนอกเขาดูถูกเราเอานะแม่สกุลเสี่ยวร้องให้คร่ำครวญพังเติมเชื้อไฟเธอ ย, ยกมือขึ้นเช็ดน้ําตาลูกสาวที่น่าสงสารของฉันร้องอยู่นั่นเหละวันๆเอาแต่ร้องให้ต่อหน้าฉันทำํำไมคุณไม่หัดจับตาดูนางบ้างทําเรื่องโง่ๆแบบนั้นลงไป ฉันจะเอาหน้าที่ไหนไปคิดบัญชีกับคนอื่นอย่าลืมนะว่าก่อนหน้านี้หลีหว่านคือผู้มีพระคุณช่วยชีวิตพ่อของฉันแม้แต่ตอนนี้ท่านผู้เทาก็ยังต้องกินยาตามไปสัญญาที่นางให้มาหลีหว่านเป็นสะายตระกูลหยวนไม่ใช่คนที่จะไปล่วงเกินได้ง่ายๆพ่อสกุลเซียวถอนหายใจด้วยความหมงุดหงิดฉันเคยเตือนานางแล้วแต่นางไม่เคยเห็นคําพูดของฉันอยู่ในสายตาเลยผู้ชายดีๆในโลกนี้มีตั้งเยอะแย ะ, แยะทำให้ต้องไปจ้องแต่หยวนเศร้าเหิงไม่วางตา นี่มันคือผลกรรมที่นางหาเรื่องใส่ตัวแท้แท้อีกอย่างฉันขอเตือนคุณไว้เลยนะคาพูดไหนควรพูดคําพูดไหนไม่ควรพูดเวลาอยู่ข้างนอกคุณต้องรู้ความในใจตัวเองให้ดีตระกูลหยวนไม่ใช่คนที่เราจะไปล่วงเกินได้ถ้าคุณกล้าหาเรื่องมาให้ฉันลักก็ถึงตอนนั้นฉันจะไล่พวกคุณแม่ลูกออกไปให้หมดแม่สกุลเซียวถูกขู่จนไม่กล้าพูดจาได้แต่สะอื้นเบาๆพอแล้วแล้วรู้จักแต่ร้องให้ไม่รู้สึกว่ามันอัปมงคลบ้างหรือไงพ่อสกุลเซียวหงุดหงิดอย่างหนักคุณช่วยให้หูของฉันได้สงบสักสองสาม สิ่งที่คุณควรทําตอนนี้คือไปเรียกล่อมลูกสาวให้เข้าใจในเมื่ออยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้ฉันก็สามารถจัดการให้ส่งตัวไปต่างประเทศได้ทันทีถึงตอนนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศก็จะไม่แพร่ไปถึงข้างนอกยังใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนเดิมแม่สกุลเซียร์อาป่าจะพูดแต่ก็เปลี่ยนใจจนกระทั่งเห็นเมี่ยวอวินเดินออกมาจากห้องเธอจึงรีบลุก ข, ขึ้นไปพยุงเมี่ยวอวินหิวและใช่ไหมลูกในหม้อมีโจ๊กข้าวฟ่างร้อนๆเดี๋ยวแม่ไปตักมาให้ดีไหม คนเราไม่ใช่เหล็กไหลนะลูกไม่กินข้าวตั้งนานขนาดนี้ไม่ได้หรอกถ้าลูกเป็นอะไรไปจะให้แม่กับพ่อทำอยังไงพวกคุณก็ไม่ได้มีลูกสาวแค่ฉันคนเดียวสักหน่อยฉันตายไปก็ดีจะได้ไม่ต้องคอยสร้างปัญหาให้พวกคุณดูสิว่านางพูดจาเหลวไหลอะไรออกมาถ้าเก่งนักก็ไปตายสเสดียวนี้เลยพ่อสกุลเซียวเห็นนางขังตัวอยู่ในห้องเพื่อสำนึกผิดมาตั้งนานแต่นี่คือผลลัพธ์ของการสำนึกผิดอย่างนั้นหรือฉัน อย่าพูดอีกเลยคุณที่เป็นพ่อนะไม่รู้จักพูดใจดีๆบ้างหรือไงคนอื่นรังแกลูกสาวคุณก็ช่างเถอะแต่นี่แม้แต่คุณเองก็ยังรังแกลูกสาวตัวเองอีกฉันไม่ได้รังแกนางฉันกําลังจะด่านางให้ตาสว่างเซียร์มิวอวินหลับตาลงเรื่องนี้เธอไม่มีวันยอมจบง่ายๆแนห่หรี่วันกับหยวนเย็นเย็นสองคนนี้ต้องแอบวางแผนกันรับหลังแน่นอนเธอจะต้องแก้แค้นคืนให้ได้ฉันจะจัดการให้แกไปเที่ยวต่างประเทศจักพักรอให้กระแสข่าวในประเทศสงบลงเมื่อไหร่ค่อยกลับมา ไม่เอาเข้าไม่มีอะไรน่าอายสักหน่อยพวกเขาคงไม่กล้าพูดอะไรต่อหน้าฉันหรอกเสี่ยวเมียววินไม่ยอมไปเธอจะอยู่ที่นี่ต่อแกยังคิดจะทําอะไรอีกอย่ามาทําตัวไม่จบไม่สิ้นที่นี่ระวังจุดจบของแกจะอนายิ่งกว่าตอนนี้พ่อขับพ่อก็ไม่ได้โดยไปกว่าตระกูลหยวนเลยทําไมพ่อต้องทําตัวระแวดระวังขนาดนี้ด้วยตระกูลหยวนมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอถึงได้รังแกคนอื่นได้ตามใจชอบแบบนี้ ดูถ้าแก่จะยังไม่รู้ซึ้งถึงความน่ากลัวของตระกูลหยวนสินะตระกูลหยวนเม่เทียบกับตระกูลเซียแล้วดีกว่าไม่ใช่แค่เพียงเล็กน้อยจริงๆคําพูดที่ฉันพูดกับแม่แกเมื่อกี้ก็ไม่ใช่แค่ขู่พวกแกแม่ลูกนะตรับใดที่พวกแกไม่ทําให้ผลประโยชน์ของบริษัทเสียหายฉันก็ยังพอทนได้แต่ความอดทนของฉันก็มีขีดจํากัดเหมือนกันพ่อส ก, กุลเซีย ข, ข่มขู่ด้วยท่าทางดุดันก่อนจะลุกเดินจากไปอ้าวมืดคำขนาดนี้แล้วคุณไม่ยอมอยู่บ้านจะไปไหนอีก แม่ส ก, กุลเซียวถือชามโจ๊กเข้าฟางที่เพิ่งอุ่นเสร็จเดินเข้ามาพลางเกลี้ยกล่อมลูกสาวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนให้คิดได้เสียทีวันหน้าห้ามทำเรื่องโงโงแบบนี้อีกเด็ดขาดนะลูกไม่ว่าจะทำอะไรต้องคิดให้รอบคอบก่อนแล้วแม่ก็จัดการนัดตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลให้ลูกแล้วด้วยผู้ชายพวกนั้นก็ไม่รู้ว่าสุขภาพแข็งแรงดีไหมมีเวลาว่างก็รีบไปตรวจร่างกายซะนะแม่คะตอนนี้หนูพยายามอย่างหนักที่จะไม่นึกถึงเรื่องคืนนั้นแล้วแม่ช่วยเลิกย้ำเตือนหนูที่นี่ได้ไหมเซียวมิวอวินเริ่มโมโห เขาว่ากันว่ารักใครก็ต้องรักของของเขาด้วยถ้าแม่ทําให้พ่อรักแม่ได้มากกว่านี้พ่อก็คงจะเอ็นดูหนูที่เป็นลูกสาวแท้ๆมากกว่านี้เหมือนกันไม่ต้องมาทนรับความอัปอายตแบบตอนนี้หรอกพูดไปแล้วก็คือแม่ไม่มีสถานะในบ้านหลังนี้พ่อไม่ได้ใส่ใจแม่เลยแม่เอาเวลามาเตือนหนูที่นี่สู้เอาเวลาไปเอาใจพ่อจะดีกว่าแกฉันว่าแกมันเลือ้อเลือนไปใหญ่แล้วแกมาว่าฉันทําไมถึงพ่อแกจะไม่รักฉันแต่หลายปีมานี้เราก็ไม่ได้อยากกันนะแล้วแกล่ะ แกก่อเรื่องวุ่นวายขนาดนี้ทําเรื่องงามหน้าแบบนี้ต่อไปแกจะแต่งงานออกไปได้ยังไงยังจะมีใครกล้าแต่งกับแกอีกคราวนี้ทุกอย่างพังหมดแล้วไม่มีอะไรจะทําให้รู้สึกเจ็บปวดไปกว่าการได้ยินคำพูดเหล่านี้จากปากของแม่แท้ๆอีกแล้ว